ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าไปในสถานที่ใดที่ใดถ้าหากว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วก็มีการไหว้พระและประมาทานศีลอันนี้เป็นประเพณีของชาวพุทธของพวกเราแต่โดยมากพอพระนจัตไทายาญมอาราธนาศีล พระสงฆ์ก็ให้ศีลต่อไปไม่เคยได้ยินว่าองค์ไหนอธิบายเรื่องศีลให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมได้รับทราบเพราะนั้นในวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะได้อธิบายเรื่องศีลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบศีลเป็นหน้าที่ของใครเป็นผู้รักษาถ้าหากว่าพระสงฆ์เป็นผู้รักษาศีลกลุ่มเดียว พระสงฆ์ก็จะได้รักความร่มเย็นเป็นสุขในกลุ่มสงฆ์ถ้าหากว่ากลุ่มอื่นไม่ได้รักษากลุ่มอื่นก็จะต้องเดือดร้อนแน่นอนเพราะไม่มีศีลไปในสถานที่ใดก็จะมีแต่เวรภัยที่จะจองร่างจองผานมีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้เพื่อจะให้โลกทั้งโลกได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุข เพราะนั้นสำหรับกระวดาดญาติโยมท่านเขาให้มีศีลห้าสำหรับสำมนเณศีลสิสธิพระ227จแต่สำหรับญาติโยมทุกท่านศีลห้าก็พอเหมาะเพราะว่ามีกิจุรการงานมากถ้าหากว่าทุกคนมีศีลห้าโลกทั้งโลกก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขได้เพราะศีลคุ้มครอง สินห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อจะให้ต่อไปนี้อันดับแรกหลวงพ่อจะกล่าวน้โมสมจบน้โมตัสสะพระคาวโตัวระหัตตสัมมาสัมพุทธสระข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันต์ตร ม, มาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสามครั้งคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าถือเป็นต้นาศาสราเป็นต้นพระาศาสนาเป็นผู้บัญญัติศินจากนั้นก็กล่าวเป็นพุทธทงังทำมังสั ง, สาาางขังสรนางคัฉามิ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 ปานาติปาตาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์แต่ตัดชีวิตชีวิตของเขาชีวิตของเราเพราะพระพุทธเจ้าเห็นการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ญาตายายบงศาคณายาทของเราเราก็รักสงวนหวงแหนถ้าหากว่าพี่น้องของเขาคนอื่นเขาเขาก็รักเช่นเดียวกัน เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วถ้าว่าพวกเราอยู่ร่วมกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นในมวลมนุษย์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินข้อที่หนึ่งห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์วัวควายช้างม้าหมูหมาเป็ดไก่เขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันอย่างพวกเราเห็นไก่ลูกไก่มันก็รักลูกของมันเหมือนกันถ้าเป็นลูกของเราเราเครักเหมือนกันถ้าใครมาเบียดเบียน พวกเราจะมีความรู้สึกอย่างไรมาฆ่าลูกของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นแล้วว่าท่านเป็นประชาธิปไตยท่านเป็นธรรมท่านมองเห็นว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีการฆ่าคนอื่นเขาเขาปวดร้อนเป็นทุกข์จิตใจถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิงข้อที่หนึ่งให้พวกเราได้รักษาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันิีสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทาน ทรัพสมบัติของใครของเขาเขาเครรกถ้าเป็นของเราเราเครักเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าขโมยซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกั น, ก น, กนอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สากาเมจุมิตษฐาจาย์จาราว ร, รมณีสามีพันยาลูกเต้าหล้าหลานของเขาขเขาเครรกสังวนห่วงแหนถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเคารพศิน พระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าว่าถ้าไม่มีการเคารพกันโลกต้องเดือดร้อนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สข้อที่4มุสาวาทาเว ร, รมานีการโกหกกันการพูดมุสาโกหกพูดกล่าวไม่เป็นตามความเป็นจริงถ้าเขาโกหกเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปโกหกตอแหลเขา ไปพูดความไม่จริงต่อเขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมันยัดสินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชักประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ, ถ้าว่าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วทําให้คนอื่นเสียหายได้อย่างเช่นเมื่อเราดื่มเมาเหล้าเข้าไปแล้วขับรถเข้าไปไปชนคนอื่นเขาทําให้เขาเสียหายแต่เป็นความประมาทของเราเอง แต่คนอื่นเขาเสียหายอันนี้เพราะนั้นพระพทุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติเพราะคนประมาทคนดื่มสุราตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นพระพทุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่ห้าสินข้อที่หเราจะไปมองข้ามไม่ได้ สิ่งข้อที่5นี่มันเกี่ยวถึงข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ด้วยถ้าหาว่าคนดื่มโซอ่าเมาโุราแล้วสามารถที่จะทำความชั่วหรื่าค่ามนุษย์ค่าสัตว์ที่รชานค่าใครก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าขาดสติข้อที่2อคนที่ดื่มโุราแล้วขาดสติแล้วสามารถที่จะขโมยสิ่งของก็ได้ข้อที่3คนดื่มโุลาแล้ว พอพติผิดสิลข้อที่สก็ได้ง่ายข้อที่4ี่คนดื่มสุราแล้วพูดโกหกก็ได้ง่ายเพราะนั้นศินข้อที่5เป็นสินที่อันต ร, รายข้อหนึ่งสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกข้อที่ผ่านมาเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขท่าหัวโลกทั้งโลกถาดสิน ทั้งห้าข้อในี่ขาดมากๆโลกของเราก็จะหาความสงบป่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทลูกศิษย์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อรู้ว่าสินมีคุณค่าอย่างนี้แล้วก็ให้พยายามรักษาสินอย่าให้มันขาดจนเกินไปแต่ลงพ่อจะขอร้องพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าเป็นไปได้สินข้อที่หถ้าเป็นไปได้ไม่จาเป็นที่จะล่วงละเมิด ถ้าว่าเราระมัดระวังศินข้อที่5รักษาศินข้อที่ ห, หได้ในครอบครัวนั้นก็จะได้รับความสงบพร้มเย็นเป็นจุกได้นะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูกเต่าทุกคนน่นนะถ้าว่ามีสิ น, นข้อที่หถ้าพวกเรารักษาดีแล้วนะตอนนี้ไปหลวงพ่อยจะให้ศินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัเทเธเสตุขธมังอนุกัมปิมังปะชังนาโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัทสนโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมามรณงเมภาวิสตกิติวันนี้เป็นวันที่ มีความสลดสังเวชมีความอาลัยมีความพัดภาคอย่างมากในบรรดาพี่น้องญาติโยมโยมที่ท่านมรณาภาพได้ล้มหายตายจากไปไม่ว่าท่านผู้ใดไม่ว่าญาติพี่น้องผู้ใดไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ใดถ้าได้อยู่ด้วยกัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่เมื่อได้จากกันไปแล้วอย่างที่คุณโยมที่จากไปในครั้งนี้ญาติพี่น้องครอบครัวมีการกระเทือนอย่างมากไม่ว่าท่านผู้ใดเพราะนั้นในวันนี้คุณโยมปิยะคนคูหาการที่เป็นหลักของครอบครัวได้ล้มหายตายจากไป ถ้าจะว่าไปตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเป็นธรรมดาแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ถือว่าเป็นธรรมดาถ้าคนอื่นจากไปเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าหาว่าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นวงศาคณนาญาของเราเราถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเป็นการที่กระทำให้กระเทือนทางจิตใจอย่างมาก เพราะนั้นในครั้งนี้หลวงพ่อเองได้มาในงานศพของคุณโยมมาเห็นแล้วก็คงจะกระเทือนใจอย่างมากแต่หลวงพ่อเองไปอยู่ที่จังหวัดอุดรลูกชายของท่านไปอยู่กับหลวงพ่อเป็นเวลาหลายปีไปจําพรรษากับหลวงพ่อแต่ว่าปีนี้ท่านได้ออกมาจําพรรษาไปจำพรรษาต่างประเทศ คือประเทศเนปาลตะก่อนท่านก็จำภาษากระหลวงพ่อหลายปีนับว่าหลวงพ่อเองก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นญาติโยมตลอดถึงคุณแม่ก็ได้ไปร่วมทําบุญหลายหครั้งหลายหลายคราวเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ถือว่าเป็นคณะศรัทธาญาติโยมเป็นพี่น้องวงศ์สาคณาญาติทางธรรมะวันนี้เจเนร์มาร่วม งานศพแต่ตามไม่จริงพอมาเห็นแล้วก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่รับรู้รับทราบกันไม่รู้จะทํำยังไงเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าความธรรมดานี้ คือทุกคนทุกท่านทุกชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ตามพิจิงอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าไม่ใช่ธรรมดาสำหรับผู้ได้ประสบพบเห็นเพราะนั้นทุกคนเกิดมาแล้วจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมดา เ, เมื่อคนเราเกิดมาทุกคนอพอเกิดมา เ, เขาก็เตรียมบีซา่ารอไว้แล้ว เขียนวีซ่ารอไว้แล้วพอต่อมาต่อมาเขาก็ส่งวีซ่ามาให้อันนี้คุณโยมท่านก็อายุถึง70กว่าปีที่หลวงพ่อดูพอสอที่ท่านเกิดและท่านชาติมรณะก็เป็นอายุ70กว่าปีได้รับวีซ่าพอรับวีซ่าท่านก็เดินทางไปต่างประเทศอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละ คือคนเราเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนพวกเราท่านทางหลายไว้อยู่เสมอว่ามรณงเมภาวิสติอย่างที่หลวงพ่อได้ยกภาษิตขึ้นไว้เบื้องตน้นมรณงเมภาวิสติชีวิตของพวกเราจะต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานได้เพราะนั้นให้เตรียมตัวไว้อย่าประมาท ในหลักของพระพุทธาศาสนาพระพุทธเจ้าทัานว่าคนเราเกิดมาแล้วตาย okay. ตายแล้วไม่สูญเกิดอีกสิ่งที่จะทำให้เกิดนั้นคือวิญญาณคือใจออกจากร่างนี้แล้วก็ไปปฏิสนธิในภพชาติต่อไปพระพุทธเจ้าท่านได้พิสูจน์มาแล้วในครั้งพระพุทธเจ้าคนในยุคสมัยนั้น คนในยุคสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเขาก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสงสัยในยุคนี้แหละตายแล้วทําไมไม่มีใครมาบอกมากล่าวมาบอกว่าข้าพเจ้าตายแล้วไปอยู่ที่นูน่นที่นี่แต่ทําไมไม่มีใครมาบอกคนในยุคนั้นเขาก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านสงสัยในยุคนี้เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเกิดในสกุลกษัต ร, ริย์กรุงกบินลพัท ท่านเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจากนั้นท่านก็หนีออกจากเวียงจากวังไปอยู่ในป่ า, าไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีตามลําพังพระองค์พิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเป็นยังไง พ, พระพุทธองค์บําเพ็ญอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ด้วยจิตจภาวนาจนถึงวันเดือนหกเพนเวันเดือนหกเพน พระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิอันหน้าพรทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในคืนวันนั้นเมื่อจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาน้อมผิดลึกถึงชาติผลหลังได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตัดสรุปปลุกเพรในวาสานุสติยานระลึกชาติหนุนหลังได้พอต่อมาก็จตูปปาตายานถึงเที่ยงคืนพอจนสว่างอาสาวัคคยาญาณญาณยังรู้ว่าพระพุทธเจ้าตัดกิเลสหมดกิเลสอันนี้แปลว่าในคืนวันเดือนหกเพรพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปญาณทัศนะสามอย่างปุกเพรในวาสานุสติยานจตูปปาตายานอาสาวัคคยาญาณเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้ายืนยันว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดก็คือใจใจก็คือความนึกคิดของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเห็นเพราะนี้ตัวนี้แหละที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้แนะนําสั่งสอนพวกสารุสิทธิ์ของพระองค์อย่าประมาทว่าตายแล้วไม่สูญทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะนั้นก่อนที่จะไปสู่ภพภูมิต่างๆนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกว่าถ้าว่าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วน่าจะพาไปสู่ทุกขติถ้าว่าใครทํากรรมดีกรรมดีนั่นก็พาไปสู่สุขติเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทเพราะพวกเราทุกๆท่านเกิดมาแล้วเขาเตรียมวีซ่ารอไว้อยู่อีกวันหนึ่งข้างหน้า ไม่รู้วใครจะได้รับวีซ่าส่งมาเมื่อไหร่พวกเราก็จะดเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนอย่างคุณยมที่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาในงานศพในวันนี้อันนี้ท่านก็ได้รับวีซ่าอีกสักวันนึงอีกไม่นานนี้พวกเราก็จะส่งขึ้นไปต่างประเทศแล้วส่งขึ้นเมนว่างั้นจะจากนั้นก็ไปชุมเพลิงจากนั้นท่านก็ไปตามลำพังของท่านแหละพวกเราท่านทั้งหลาย ก็ไม่แพ้กันไม่มีใครเกินกันคพราะนั้นให้เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนที่จะมาถึงวันนี้อย่างคุณโยมคุณโยมท่านก็คงได้สั่งสมคุณงามความดีไว้ในประเทศชาติสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของท่านพอสมควรเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะมาถึงจุดอย่างที่คุณโยมมาถึงก่อนที่จะมาถึงให้พวกเราเตรียมตัวเอาไว้ให้สั่งสม เงินคําทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อจะเดินทางไปสู่พารโลกภายภาคหน้าทางว่าพวกเราไม่เตรียมตัวไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่อส่งขึ้นไปต่างประเทศแล้วเหมือนกับคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินไปต่างประเทศเนี่ยแล้วเป็นยังไงเราจะมีเงินทุนที่ไหนไปซื้อสิ่งของได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเรามีทุนเมื่อออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้ว เรามีบุญมีกุศลเราก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมแต่ถ้าว่าพวกเราทำกรรมชั่วเอาไว้ เ, เมื่อถึงจุดจบมาพวกเราจะตกไปทางต่ำไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานาไปเป็นเปรตนี่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้ววิถีชีวิตของมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นให้พวกเราเตรียมตัวเอาไว้อย่าประมาทท่านจะว่าต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อตตอไปว่าเตรียมตัวตายทุกคนให้เตรียมตัวไว้อย่าประมาทถ้าหาว่าไม่เตรียมตัวไว้พวกเราจะสะทกสะทานถ้าเราไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตายถ้าว่าวันหนึ่งอีกข้างหน้าถ้าว่าคุณชีวิตจะไม่รอดนะขาวนี้คนนั้นเขาจะสทานหวั่นไหว เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเมื่อให้ท่านจึงถามพระอานุ์ว่าดูก่อนอานุนท่านละลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนอนุ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ละลึกถึงความตายวันละประมาณร้อยครั้งพระเจา้าค่ะพระพุทธองค์ว่ายังประมาทเพราะนั้นให้ท่านพิจารณาถึงความตายให้ท่านละลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่เข้าคอตาย เ, เพราะนั้นให้ระลึกถึงเอาไว้คนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะสร้างสมคุณงามความดีจะสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าหาว่าคนระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอโลภ ก, ก็จะไม่โลภมากโกรธก็จะไม่โกรธมากหลงอะไรก็จะไม่หลงมากพ่อคิดว่า ชีวิตข้างหน้าพวกเราไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมีแต่ให้เตรียมตัวให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไว้อยู่เสมอนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทําจิตใจให้สงบบริกรรมพุทโธอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านภาวนาท่านปฏิบัตินั่นแหละกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทธโธ เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนและก็พร้อมกันพวกเราเป็นลูกของพ่อของแม่ในยุคสมัยนี้โดยมากจะไม่ค่อยระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอันนี้หลวงพ่อพูดในภาพรวมทั่วๆไปนะไม่ไม่ได้จำกัดท่านผู้หนึ่งผู้ใดพ่อแม่เป็นบุพก า, ารของลูก พ่อแม่เป็นพระหันของลกูกประทันพวกเราให้ระลึกอยู่เสมอว่าพ่อแม่เป็นบุพพ า, ารจ์บุพพ า, ารจย์คืออะไรเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเราเกิดมาแต่ที่แรกเรายังไม่รู้จักภาวะอะไรทั้งหมดยังเป็นลูกเล็กเด็กแดงและพ่อแม่พยายามแนะนำสั่งสอนอาบน้ำสอนให้รู้จักดีรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักอยู่รู้จักกินรู้จัก เรื่องต่างๆเพราะนั้นพ่อถือว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเอ่อเป็นบุพาจารย์เป็นผู้สอนคนแรกของบุท ธ, ธิดาอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นบุพาจารย์พ่อแม่เป็นพระหันของลูกลูกทุกคนให้เคารพ บ, บิดามารดาเพราะว่าพ่อแม่เนี่เป็นผู้มีพระคุณถ้าว่าผู้ใดก็าตามฆ่าพ่อฆ่าแม่แปลว่าอนันตริยกรรม5้าอนันตริยกรรมคืออะไร มาตุกขาฆ่ามารดาปิตุค่าฆ่าบิดาอรหรันตะค่าฆ่าพระหรหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้ายังโลหิตให้พ่ อ, อสังฆเภททำสงให้แตกกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นกรรมหนักที่สุดสรุปแล้วก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนกับฆ่าพระอรหันเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าพ่อแม่เป็นพระหรหันของบุตรทิ่ดาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้เกิดมาที่พ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณ ตั้งแต่หัวจดเท้าพวกเราเป็นลูกของท่านเป็นลูกหนี้นะเพราะะนั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราทั้งหลายก็ต้องดูแลปฏิบัติดูแลข้าน้ําโภชนาะอาหารยาให้ท่านทุกอกทุกใจกับเราเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอย่างคุณโยมที่ท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านประวัยชีวิตของพวกเราลูกเต่าทั้งหลายก็ยังมีอยู่ ที่ก้อนทุนกองทุนที่ท่านให้เราคื อ, อ, อตั้งแต่หัวจุดเท้านึ่เราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้น เ, เวลาเราจะทําบุญกุศลทุกครั้งแต่ละครั้งเราพน้อมขีดอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณของท่านถ้าว่าท่านตกพุกได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่เป็นลูกลก อ, อ, อันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านา น, า น, นะ อ่ที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ดูแลปฏิบัติอย่าให้ท่านทุกอกทุกใจกับพวกเราท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วเป็นผู้มีบุญคุณมากสำหรับปีดาบรรดายอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวแล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของท่านและก็ส่วนตัวของเราเองอย่าประมาทชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะได้จากโลกนี้ไปก่อนที่จะจากโลกนี้ไปแล้วตายแล้วไม่สูญอ่าตายแล้วไม่สู ญ, สญคำนี้ให้ฟังเอาไว้พราะพระพุทธเจ้าพิสูตนมาแล้วในครั้งก่อนนู้นุูเพผนวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้ลึกชาติก็คือชาติที่แล้วเป็นยังไงเหมือนเมื่อวานนั้มีไหมวันก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมมียาวเยียดมาและชาติก่อนมีไหมมีและชาติหน้าละ่ะวันพรุ่งนี้มีไหม วันพุ่งนี้มีไหมมีนะเพราะนั้นเมื่อวันพุ่งนี้มีชาติหน้าก็ต้องมีเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทางว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลไว้ดีแล้วเกิดพบหน้าชาติหน้าพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจเพราะนั้นในวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้แสดงธรรมก็ว่าเห็นว่าพอเหมาะพอสมควรนะ อากาศขอร้อนร้อนด้วยวันนี้นะอ่า น, นั้นขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายแล้วกับปรารถนาสิ่งใดที่เป็นศิลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเอวังก็มีด้วยประการลชนี